ลำดับที่1คติธรรมก่อนฟัง mp 3แผ่นที่61โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีคติธรรมก่อนฟัง mp 3แผ่นที่61ให้คติธรรมว่าสังคมอยู่ได้ด้วยการแบ่งปัน ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้บอกกล่าวว่าสังคมของมนุษย์ชาติที่จะอยู่ด้วยกันได้ต้องมีการแบ่งปันคือทานะคือการมีการเสียสละคือการให้ทานถ้าหากว่าพวกเราไม่มีการเสียสละเป็นคนขี้ตนีเห็นแก่ตัว อยู่ในชุมชนกลุ่มใดอยู่ในวงสาคนาญาติใดอยู่ในวัดวาศาสนาใดอยู่ในวัดใดวัดนั้นก็จะหาความจเจริญงอกเงยได้ยากเพราะอะไรเพราะไม่มีการแบ่งปันเพราะว่าการแบ่งปันคนํานี้คือทานะคือการเสียสละคือทานอามิ t h ทานคือให้อามิตร คือข้าวน้ําโภชนะอาหารปัจจัยสี่วิทยาทานคือให้ความรู้ที่เขาด้อยกว่าเราเราให้ความรู้กับคนอื่นเขาอาภัยทานก็คือการให้อภัยเมื่อเขาเทําผิดกับเราที่เราไปทําผิดกับเขาต่างคนต่างให้อภัยกัน อันนี้เรียกว่าอภัยทานแล้วก็ท ร, รมะทานคือให้ทมเป็นทานคือแนะนำสั่งสอนคู่คนอย่างพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมให้ทมเป็นทานพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าการให้ทมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงทำไมพระพุทธองค์จึงตรัสอย่างนั้นเพราะว่าให้อามิธทานกินไปแล้วใช้ไปแล้ว ก็หมดไปแต่ให้ธรรมทานคือหลักเหตุผลคือถูกต้องถ้าพวกเราคิดมาแล้วก็นำไปประพฤติธปฏิบัติจากนั้นจิตใจของเราก็จะได้รับความสงบพรมเย็นเป็นสุขจนถึงปฏิบัติตามแนวแถวของพุทธสินสมาธิปัญญาจากนั้นก็จิตใจก็เกิดความเบื่อหน่ายคายหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนี่แหละ คือการให้ทำเป็นทาน เ, เมื่อพวกเราให้ทำเป็นทานผู้ดไร่ได้รับธรรมจากเราเราเขาก็ปฏิบัติตามเมื่อเขาปฏิบัติตามแล้วเขาก็จะได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขจนถึงกับตัดกิเลสถึงมรรคผลนิพพานตามแนวแถวของพุทธะเพราะท่านขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านคําว่าทานคํานีออ้อย่ามองข้าม วันนั้นถ้าคนกลุ่มใดก็ตามไม่มีทานไม่มีการเสียสละต่อกันอย่าหวังเลยชุมชนในกลุ่มนั้นจะได้รับความสงบพร่มเย็นเป็นสุขด้วยอำนาจคุณพศีและตนตัดไรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขอให้มาคุ้มครองพวกเราขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมข อ, ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกท่านทุกคนด้วยเทิน